สำรวมใจของตนให้ดีชีวิตของคนเรานี่มันมีอุปสรรคนาประการบุราณท่านจึงกล่าวว่าชีวิตคือการต่อสู้สตรูคือยากำลังนี่นะะัว่าถูกต้องท่าปูใด ปฏิบัติตามก็เกิดมาแล้วมันต้องได้มาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจึงได้ มีการต่อสู้กันในระหว่างความแปรปวนจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มุ่งไปสู่ความเที่ยงความยั่งยืนไม่ชอบความแปรปวน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 เพราะอุปสรรคมันก็มีอยู่หลายอย่างอยู่แต่ถ้าว่าเป็นหลักแท้แล้วมันก็ไม่หลายอุปสรรคเกิดจากราคะความรักความใครอ่อันนี้ก็นอาว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวง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 ก็ไม่พอใจไม่เต็มความปรารถนาก็เป็นทุกข์มันจะต่อสู้ยังไงดิ้นนยังไงมันก็ไม่สมประสงค์เพราะบุญวาสนาบา ร, รมีที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยไปดังนั้นมันจะดินยังไงมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้ได้แต่คนส่วนหลายคนะมันไม่คิด อย่างนี้ถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปเป็นโจรเป็นขโมยไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติปู่เราเป็นของตนมนคิดว่าไอ้เราก็เป็นคนผู้หนึ่งเราจะไม่ยอมอดตายถ้าเราหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาเอาในทางทุจริต ต้องขี้เอาปล้นเอาหลอกลวงเอาช่อโกงเอาเง น, นมูลเหตุที่มนุษย์เรามันจิตถึงซึ่งความเสื่อมของชีวิต ม, มันก็มาจากราคะตันหานะั่นแหละเบื้องต้นนะต่อไปมันเคยกลายเป็นโทสะพยาบาทเป็นโมหะความหลงความเมาความไม่รู้สึกตัว ไม่รู้จักบุญจากบาปไม่รู้จักคุณจากโทษอะไรไปแล้ววันนีนะ้พระท่านสแสดงถึงนรกทำบาปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตายแล้วไปตกนรกมังก็ไม่ไม่ฟังไม่สะดุ้งเลยมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ไปอนุภาพแห่งราคะตัณหานี่ มันผิดลึกนะคิดไท่ดีมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทั่วแหละทำให้อยากได้อันนันอยากได้อันนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นลงได้แล้วก็ความอยากนั้นมันก็มีอวิชาแทรกแซงไปด้วย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 ทำว่าต่อสู้ในที่นี้นยะต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดีบุคคลผู้มีใจฝักใฝ่ในความดีเชื่อมัน่นว่าความดีคือบุญกุศลนี่จะนำตนในพ้นทุกข์เมื่อเริ่มว่าจะทาความดีทาบุญกุศลเข้าไปไอความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามา อันนี้ก็ต้องต่อสู้กับความชั่ววนะันนี้นะเมื่อเอาชนะความชั่วนั้นได้ก็ทำความดีได้วันนี้นะบาเพ็ญบุญกุศลต่างๆได้ให้ทานก็ได้รักษาศีนก็ได้ภาวนาก็ได้นี่ถ้าถ้าต่อสู้กับความชั่วยังใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะ ได้แต่ละครั้งละค่าวมันก็เป็นเหตุให้เจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้เช่นบุคคลมาต่อสู้กับความโรคความตนีในใจอย่างนี้นะเมื่อความโรคความตนีความหวงเห็นเกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้มันครอบงามจิตใจ กำหนดละมันเลยไปหาอุบายสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความโลภ ค, ความตนีนั้นเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นโทษแห่งความโลภ ค, ความตนีนั้นแล้วมันก็กดละได้เมื่อละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วมันก็ทำบุญให้ทานได้เป็นอย่างนั้น ถละกิเลสเหล่านั้นไม่ได้ก็ทำบุญให้ทานไม่ได้บุคคนจะรักษาศีลได้ยังี้มันก็มาต่อสู้กับความโกรธความ พ, พยาบาทหรือความโลภอีกเหมือนกันแหละนี่ก็ดีเพราะว่ามันโลภอยากได้อาหารอันดีๆมาบริโภค ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตัวและครอบครัวอันนี้มันก็เป็นความโลภอันนึงนะถ้าบุคคลไม่โลภแล้วหาได้มาโดยทางสุจริตอย่างไรก็ยินดีบริพกรับประทานไปอย่างนั่นไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไป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 มันความประพฤตินั้นยังไม่ละเอียดยังไม่แนบเนียนพอนั่นต้องคิดให้ดีอั น, นเช่นบุคคลนะ่ะไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตหรอกไม่ได้ทุบไม่ได้ตีเขาจนเสียองคชาหรือจนเจ็บปวด ต่างๆนานาหมู่นี้ไม่ได้ทำแต่บางคนก็ชอบเอารับเอาเปรียบผู้อื่นหมู่นี้มันก็อยู่มันก็เป็นสายของปานาติบาตนั่นแหละชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในผู้อื่นจะขัดข้องลำบากยังไงเพราะการกระทาของตัวเองไม่คำนึง ว่าต่ขอให้ตนเองได้รับความสะดวกสบายก็เป็นพอนี่นั่นนี้แต่ว่าขาดคุณธรรมคือเมตตาการุณามันเป็นอย่างนี้นะคิดให้ดีท่านจึงกล่าวว่าศีลธรรมเป็นคู่กันนั่นเลยศีลนเนี่ยานี้ภาณวิบาต ท, ท่านห้ามให้ฆ่าสัตว์นร่งกับ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 ไม่ผ่อนผันหากันมูนี่มันก็รวนตั้งแต่นั้นนะ่ยอนุโลมเข้าปาณาติบาททา ง, งนั้นเนี่ยองนั้นเพิ่งศึกษาให้รู้ให้เข้าใจรายละเอียดของปาณาติบาทอันเนี้ยถึงอธินาทานก็เหมือนกันนะ เหตุที่มันจะไปลักไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติพวอื่นมาเลี้ยงชีพตัวเองก็เพราะมันขาดเมตตาเนี่ยขาดคุณธรรมอ่ะนอกจากมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วมันก็ยังขาดเมตตากรุณาในเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นนอกจากล่วงศิลข้อที่สองนี่แล้วนะมันยังล่วงธรรมะอีกไม่ยังไม่มีธรรมะ คือเมตตาการุณาอยู่ในใจดังนั้นมันถึงทำได้คนเราเนะี่ยแม้ข้อที่สามข้อที่สีไปก็เหมือนกันนะมันต้องมีเมตตาการุณานิกากับสินทุกข้อเลยผู้นั้นจึงรักษาสินให้บริสุทธิ์อยู่ได้ ไอ้ส่วนข้อที่ห้านั่นเมื่อก็ขาดเมตตาตนโดยตรงเลยทีเดียววันี้ไม่คำหนึ่งถึงตนตกยอมเป็นทาสของตันหาความอยากโดยส่วนเดียวไม่ได้คำหนึ่งถึงว่าเมื่อได้บริโภคของเสพติดต่างๆเข้าไปแล้ว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 เคารพต่อพระธรรมคำสอนของอุค์เต๋เจ้าอย่างจริงจังไม่ใช่เคารพเพียงผิวเผินเคารพแล้วลงมือปฏิบัติตามจริงจริงไม่ใช่เพียงเอาคำผีไปตั้งไว้บนหัวนอนแล้วก็กราบไหว้อยู่เท่านั้นอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไระมีประโยชน์น้อยเต็มเพียได้แค่ความเคารพ เท่านั้นเองแต่มันพระธรรมมันนั้นเมื่อไม่น้อมเข้ามาสู่จิตใจแล้วมันก็กําจัดกิเลสบาปประธรรมออกจากจิตใจไม่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะเราต้องพิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจไอความชั่วต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครื่องหัด เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองถ้าเป็นนักบวชจะในผู้ใดเห็นแจ้งในโทษทั้งหลายดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ไม่ศึกหาหลาเพศออกไปเลยเพราะรู้ดีแล้วว่าถ้าศึกออกไปแล้วนี่มันจะต้องได้ไปทำชั่วเหล่านี้ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งนี่เพราะว่าฐานะของตนก็ไม่ร่ำรวยอะไรอะ อย่างนี้เ่ยมันจาเป็นต้องได้ยอมทำบาปบคุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัญหาบวชมาแล้วศึกออกไปยอมไปตกนระกหมกไม่ยอมไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เ ด, ดรัจฉานยอมหมด อ, อย่างนีเน้เพราะฉะนั้นจะว่าไม่สำคัญอย่างไรแล้วจะว่าศีลเหล่านี้มันเป็น ของกระลือหัดอย่างเดียวไม่ใช่นี้เป็นแม่บทของศีลอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะบรรดาใครก็ตามจะเป็นเพศใดก็ตามเพศนักบวชก็ตามเพศกระลือหัดก็ตามจะต้องรักษาสิกขาบทห้าข้อนี้ให้ได้ก่อนอจะต้องเว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนี้ได้โดยแท้จริง ก็จึงจะรักษาสินพระบาทสีโมกหรือสินสิบผู้เป็นสามเณรก็ดีแต่จึงจะรักษาสินสิบให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ถ้าผู้ใดไม่ใส่ใจในเรื่องสินห้าข้อเบื้องต้นนี้แล้วไม่ไม่มีทางหรอกที่มันจะไปรักษาสินสูงขึ้นไปกว่านั้นให้มันบริสุทธิ์ได้ แม้เป็นอุบาสุาิกาก็เหมือนกันนะถ้าไม่สนใจเรื่องสินห้านี้แล้วไม่ตั้งใจตั้งเจตนาวิรัติเข็มจักกรรมชั่วห้าอย่างนี้ได้แล้วเรื่องสินแปดหรือสินอุโบสถนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยไม่มีทางรอมันจะรักษาได้นะนี่เรื่องภาวนาวก็ยิ่ง ยิ่งแล้วเลยเรื่องภาวนาก็ดีเรื่องภาวนาแห้งห่างไกลบุคคลผู้มีใจเป็นบาปอากุศลกรรมแล้วภาวนาจิตไม่ลงเลยนะบาปอากุศลมันผลักดันเอาจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปข้างนอกนู่นน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นผู้พาผู้จะภาวนาได้จะมีใจสงบระงับแล้วมันต้องเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้ให้ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยทุกคนต้องพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองถ้าไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันตัดสินใจทำอะไรเด็ดเตียวลงไปไม่ได้เลย เพียงแต่ฟังผู้อื่นพูดให้ฟังหรือว่าเชื่อตามผู้อื่นนิเส็นี่กําลังใจไม่เพียงพอหรอกอการที่มาต่อสู้กับฝ่ายชั่วอันนั้นเนี่ยมันก็สู้สู้ไม่ได้กําลังใจไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้ามันเห็นเหตุผลด้วยตนเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยมันสู้ได้สู้กับอํานาจฝ่ายต่ํา คือกิเลสบาปประทมนั้นมันสู้ได้เรื่องมันนะเพราะมันเห็นแจ้งเลยในใจแล้วนี่ว่าถ้าไปขืนรู้อำนาจแกกิเลสเหล่านี้แล้วเหล่านี้จะต้องได้ไปตกนรกแน่นอนนี่มันเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วเชื่อด้วยว่านรกมีจริงเพราะถึงแม้เราไม่เห็นด้วย งานความรู้อันวิเศษก็ตามผู้นั้นก็จะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็เมื่อเชื่อเมื่อเมื่อเริ่มใสนับถือพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วบุคคลผู้นั้นจะละชั่วทำดีตามพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนไม่ได้เลย ดังนั้นน่ะเราต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนการทะเลาะวิวาดกันหมนี้นะการไม่เคารพนับถือกันตามวัยตามคุณวุฒิอะไรหมนี้นะมันก็ออกมาจากปานาติบาตันเลยอย่าไปเพ่งไปอย่างอื่นเลยนี่ ถ้าบุคคลมาเว้นจากปานาติบาตันได้จริงๆลงไปแล้วผู้นั้นก็ย่อมมีกายวาจาอ่อนโยนอ่อนน้อมใจก็อ่อนน้อ ม, ออนนอมอได้กราบได้ไหว้ได้ เ, เขารกกันตามไหวตามคุณวุฒ ธ, ธิได้ไม่ถือตัวไม่แข็งกระด้างกระเดืองนี่นะสินห้าข้อนี่มัน พิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้วมันสำคัญไม่ใช่น้อยอเพราะว่าการที่บุคคลมาแข็งกระด้างไม่ยอมเคารพนับถือบุคคลที่ควรอ่อนน้อมที่ควรกราบควรไหว้ก็ไม่กราบไม่ไหว้อย่างนี้นะน้อยก็กระทบกระทั่งกันเข้าไปแล้ววันนี้กระทะเลาะกันเลยถ้าหากว่าระงับ ความโกรธอันนั้นไม่ได้มันก็กลายเป็นประหัสประหารกันไปลงไม้ลงมือกันไปฮะนี่ฮะความไม่เคารพตบน้อมอะมันมีโทษขนาดไหนนยต้องคิดดูอ ะ, อะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี่นะก็เพราะมันไม่เคารพยำเกรงกันนั่นเลยเรื่องมันนะถ้าว่าเคารพรับถือกัน โดยฐานะนั่นๆแล้วอย่างนี้นี่มันมันไม่ได้เบียดเบียนกันนะอย่างว่าแม้ว่าคลผู้นั้นจะไม่ได้เกิดร่วมวงร่วมตระกูลเดียวกันก็ตามแต่ว่าเขามีอายุมากกว่าเราแม่วันหนึ่งก็ตามเดือนหนึ่งก็ตามปีหนึ่งก็ตามเราก็ยกว่าเขาเป็นพี่ไปเลย เมื่อยกก็เป็นพี่เหมือนกับพี่ที่เกิดร่วมท้องเดียวกันนี่แหละอย่างนี้นะถ้าไปมีความรู้สึกต่อบุคคลผู้นั้นอย่างว่านี่แล้วมันก็ต้องเคารพผู้นั้นไม่ร่วงเกินโดยฐานถือเขาเป็นพี่ชายหรือพี่สาวอะไรเป็นตำนองนี่นะนี่แหละถึงแม้จะไม่ได้เกิดร่วมมงกุฎกูลเดียวกันก็ตาม <c oughs> จะพิจารณาให้มันละเอียดแล้วอลงไปแล้วมันสำคัญทุกข้อเลยสินห้าประการนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสีเลนะนิปุติงยันติผู้มีสินจักบรรลุถึงซึ่งพะนิพานได้อันนี้ดูแต่พระโสดาบันเถ ท่านก็มีเพียงแค่ศีลห้ากับศีลโอโหสดั้นเ่ยอีมก็ยังทำเป็นเครื่องหนุนให้ท่านภาเพ ย, พยายามละกิเลสในอย่างละเอียดหรืออย่างกลางให้มันหมดไปสิ้นไปโดยลำดับที่ว่ากิเลสส่วนละเอียดในส่วนหยาบนั่นนะพระโสดาบันละมาแล้วอย่างนี้เลย กิเลสยังงาบที่มันบันดาลให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นพระโสดาบันทนละมาแล้วเป็นอย่างนั้นเาะนั้นพระโสดาบันมีแต่เพียรพยายามละกิเลสเบื้องบนขึ้นไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันดี เข่งลงไปในร่างกายสังขาร น, นี่เมื่อเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างนี้มันถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันก็ละความทั่วเหล่านี้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาดพิษเถียงอะไรกันเลยเพราะบุคคล ควาจะมั่นในสิ่นี้ได้ก็ยังว่ามันต้องมีคุณธรรมคือเมตตากรุณาเนี่ยประกอบด้วยอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละก่อเมื่อเป็นเส้นนี้นะมันก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ยังไงอ่ะเช่นอย่างการทะเลาะวิวาดกันยังไยมันก็ทําความทุกข์ให้แก่กันนะผู้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วเพื่อนไม่ทํากันแล้วไม่หาเรื่องทะเลาะวิวาดกันเลย ไม่ขัดแย้งอะไรกันแล้วให้อภัยกันไปเรื่อยๆอนี่มันก็เป็นทางละอุปท า, านความยึดปั้นถือมัน่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปได้ดังนั้นไอ้คุณธรรมของวส ร, ราบันนะ่ะท่านจึงว่าละสังโยชน์สามขาดไปได้ทนะ่น ก็เพราะว่าพระโสดาบันท่านพิจนาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเของอะไรอ่ะเช่นนี้แหละก็จึงละเว้นบาปอกุศลต่างๆได้โดยเด็ดขาดด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคไปเลยแล้วก็จึงไม่ลูกคําในข้อวัดปฏิบัติไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษอะไรหมดนี้เรื่องคุณพระรัตนไกรหมดนี้ เรื่องข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนโวเนียไม่สงสัยเลยยินดีลงมือปฏิบัติตามร้อยเปอร์เซนต์เลยนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันพระโสดาบัน ท, ทันละสังโยชน์เครื่องผูกิีดใจให้คล่องอยู่ในวตาสสงสารอันนี้ได้สามอย่างอย่างนี้นะนีนยเรา ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้เราจะยอมตนเป็นปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้เลยไปหรือนี่ก็ต้องถามตัวเองให้ได้ในเมื่อเราปฏิญญาณตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วเช่นนี้นี่จะมายอมตนเป็นปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้ร่ำไปหรือเนื้อมันต้องถามตัวเองง เพราะว่าเมื่อเป็นบุตรชนอยู่อย่างนี้มันก็เวียนวไหวตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ไปนรกบ้างอขึ้นสวรรค์บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างได้สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างไปในสงสารอยู่อย่างนี้ไม่ชีวิตไม่กิรังยั่งยืนอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่